ถามว่าพระพุทธภาษิตบางแห่งทำไมจึงทรงแสดงโลภะโทสะโมหะบางแห่งก็ทรงแสดงราคะโทสะโมหะตอบว่าที่ทรงแสดงโลภะโทสะโมหะสังเกตดูตามแบบโดยมากพระองค์ทรงสอนชาวบ้านเช่นทุจริตสามโลภะโทสะโมหะ ต้องมีอยู่ในที่นั้นด้วยและทรงแสดงสุจริตสามความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็มีอยู่ในที่นั้นด้วยเพราะชาวบ้านนั้นเกี่ยวกับเงินทองคือเนื่องด้วยการทำมาหากินซึ่งเป็นเหตุให้โลภอยากได้โดยไม่เป็นธรรมเอารัดเอาเปรียบกันเมื่อไม่ได้อย่างใจก็โกรธส่วนผู้ที่เสียเปรียบก็ต้องโกรธ ราัพย์ที่เสียไปเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสสอนให้ละโลภะโทสะโมหะส่วนราคะโทสะโมหะนั้นโดยมากพระองค์สอนพระภิกษุเพราะราคะมีหลายชั้นเช่นหยาบคายหรือขั้นหยาบคือกามวิตกอย่างกลางเป็นกามราคะสังโยชนเบื้องต่ำ อย่างละเอียดเป็นรูปราคะอรูปราคะตังงยอดเบื้องบนและเป็นชื่อของกิเลสละเอียดที่เรียกว่าฉันทราคะในปัญจขันธ์เพราะฉะนั้นท่านผู้เพียรเพื่อพ้นอสวะก็ต้องละราคะทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้หมดไปจากสันดานเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสสอนภิกษุ ให้ละราคะโทสะโมหะอวิชชากับโมหะสองอย่างนั้นเหมือนกันหรือต่างกันตอบว่าต่างกันอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจสีและปฏิจจสมุปบาทไม่ประกอบด้วยเจตนา เป็นกิเลสสวัสด์โมหะความหลงประกอบด้วยเจตนาเป็นกรร ม, มวัตฝ่ายอากุศลเป็นกรรมดำโมหะความหลงนั้นหลงอะไรขอท่านจงอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจตอบว่า อทุกข์ขมสุ ข, ขเวทนาคือความไม่ทุกข์ไม่สุขที่เกิดขึ้นผู้ที่ไม่รู้ความจริงของเวทนาขันไม่ประกอบด้วยเจตนาอาวิชานุสัยย่อมตามนอนแค่นี้เป็นกิเลสวัสด์ต่อ น, นี้ไปไม่มีสติประกอบด้วยเจตนาปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านเป็นในอารมณ์ต่างๆ แค่นี้เป็นโมหะความหลงความมืดไม่เห็นธรรมะความดีความชอบประกอบด้วยความประมาทและสงสัยในธรรมะทั้งปวงทําไมสงสัยไม่ฟุง้งก็ง่วงถ้าจะกล่าววาจาก็เป็นติรชานกถาคือเรื่องทางโลกหรือคือเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความพ้นทุกข์ ถามว่าโมหะมีลักษณะฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆที่จะเป็นความประมาทก็เป็นธรรมดาของใจจะให้นึกแน่วอยู่ในอารมณ์เดียวจะอยู่ได้หรือจำเป็นจะต้องนึกถึงเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างแต่ผู้ที่มีธุระห ล, ะหลายๆอย่างก็จำเป็นจะต้องนึกถึงสิ่งเหล่านั้นมิเป็นโมหะความหลงและประกอบด้วยความประมาทเป็นหมดหรือ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจไม่ได้ความในคำตอบขอท่านจงอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจจะได้หายมัวเมาในเรื่องโมหะตอบว่าโมหะความหลงฟุ้งเป็นในอารมณ์ต่างๆและประกอบด้วยความประมาทหมายฟุ้งไปในเหล่าอากุศลเช่นกามชันธะหรือพยาบาท ถ้าเกิดความกำนัดยินดีก็เป็นกามาชันท่านิวรณ์ถ้าเกิดความโกรธประทุดสร้ายก็เป็นพยาบาทนิวร อ, อาการที่ฟุ้งไปในระหว่างยังไม่รักไม่โกรธนั่นแหละเป็นโมหะและเป็นไปเพื่อเบียนตนเบียนคนอื่นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ในโลกนี้โลกหน้านี่แหละชื่อว่าความประมาทหรือโมหะความหลง และประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตได้ดังพระพุทธภาษิตที่ทรงแสดงไว้ในกาลามสูตรส่วนความคิดที่ประกอบด้วยประโยชน์ในโลกนี้โลกหน้าหรือคิดอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลเช่นคิดอยู่ในเรื่องสัมปทาประโยชน์โลกนี้สอย่างโลกหน้าสี่อย่างบุญกิริยาวัตถุสิบอนุสติสิบสติปฐานสี่ ก็มีมากอารมณ์แต่ก็เป็นกุศลประกอบด้วยประโยชน์โลกนี้โลกหน้าจึงไม่ชื่อว่าโมหะความหลงและความประมาทข้าพเจ้าฟังท่านอธิบายในส่วนประโยชน์โลกหน้าก็พอจะเห็นด้วยว่าไม่หลงไม่ประมาทเพราะระลึกอยู่ในส่วนกุศลแต่ประโยชน์โลกนี้สี่อย่างนั้น ถ้าใจไปหมกมุ่นเข้าจะไม่เป็นความหลงและความประมาทหรือเพราะประโยชน์โลกนี้สี่อย่างนั้นเป็นกามถ้าไปกำหนัดยินดีในทรัพย์สมบัติเหล่านี้ก็ชื่อว่ากำหนัดในวัตถุกามขอท่านจงอธิบายข้าพเจ้าเข้าใจตอบว่าพระอริยสาวก ไม่ได้ประกอบแต่ประโยชน์โลกนี้สอย่างเท่านั้นท่านถึงพร้อมด้วยประโยชน์โลกหน้าสอย่างด้วยเพราะประโยชน์โลกหน้ามีปัญญาสัมปทาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่หลงและไม่ประมาทส่วนผู้ประกอบแต่ประโยชน์โลกนี้สี่อย่างไม่ถึงพร้อมด้วยประโยชน์โลกหน้าสอย่างก็ต้องหลงและประมาทเป็นธรรมดา เราไม่มีสัมมาปฏิบัติถามว่าถ้าเช่นนั้นโมหะก็หยาบมากจึงประพฤติกายทุจริตวาจีทุจริตได้แต่ทำไมจึงไม่รู้จักลักษณะของโมหะคงรู้จักแต่โทสะตอบว่า ที่ไม่รู้จักลักษณะของโมหะเพราะปล่อยสติมัวคิดละพูดละทำละอยู่จึงไม่รู้ว่าเป็นโทษถึงราคะความกำหนัดยินดีมีโทษก็ไม่รู้เพราะเป็นสุขขเวทนาคงรู้จักแต่โทสะเพราะร้อนใจไม่มีสุขเป็นทุก ข, ขเวทนาผู้ถามกล่าวว่าอ๋อ เช่นนี้จึงไม่รู้เพราะราคะความคำนัดยินดีเกิดขึ้นเวยสุขเวทนาโทสะความประทุษร้ายเกิดขึ้นเวยทุกขเวทนาโมหะความหลงเกิดขึ้นเศรษอทุก ข, ขมสุ ข, ขเวทนาเคยได้ยินเขาบนกันว่าเกิดกิเลสหรือร้อนใจอะไรอะไรเป็นเรื่องของโทสะทั้งนั้นส่วนราคะหรือโมหะ ไม่ใกลได้บนว่าร้อนใจตอบว่าอิเลสที่เป็นประเภทราคะโทสะโมหะสามอย่างนี้ท่านรวมเข้าไว้ว่าเป็นเหตุให้เกิดบาปอากุศลเหล่าอื่นๆมากมายหลายประการบรรดาอากุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจได้ก็อาศัยมูลสาคือโลภะที่มีราคะรวมเป็นพวกเดียวกัน กับโทสะและโมหะนี่แหละเป็นรากเหง้าของเราอากุศลเหล่าอื่นๆบรรดาที่เป็นกรร ม, มวัตรฝ่ายบาป